พอมาในปัจจุบันภพในอัปรันต่าเพระว่จาจักพอตันหาหมุนอวิชาสังขารพอตันหาอุปาทานหมุนอวิชาสังขารและกรรมวิภวะตามไหมและตามอีกแล้วพอชาติชาราเมรณะก็อะไรละ่ะคือชาติชาราเมรณะก็คือวิญญาณนามรูปตระายตะนักรภาษาเวทนานั่นเองเอาอย่างนี้บางทีเขาอุปมาเหมือนหัวรถไฟไอรถไฟเนี่ย รถไฟเนะี่ยมีหัวหัวจกักรดีสองหัวเวลามันจะวิ่งไปที่เชียงใหม่มันใช้หัวหนึ่งลากไปมันก็อยู่ด้านนั้นลากไปเลยพอมันจะวิ่งกลับกรุงเทพอีกมันก็มีหัวอีกหัวหนึ่งสมมุติว่าอาวิชาเป็นหัวแรกนะมันก็ลากไปถึงเชียงใหม่พอจะวิ่งกลับไม่ตันหาก็ลากกลับมาอีก <c oughs> มาถึงกรุงเทพในทํานองอย่างนั้นนแต่ยกอะไรขึ้นมาเป็นมูลเอาตันหาหรือเอาอาวิชาเป็นมูลนี่นิ่มคือมูลสอง อันนี้คือภาพของอัฏฐาคือกรารสามองค์สิบสองอาการยี่สิบส่วนที่สามสังเขตสี่ว ต, ตาสามมูลสองแล้วก็ภาะวะจักสองอันนี้แบบคร่าวๆ เ, เ, เนะ <laughs> นี่จบแล้วปฏิจจา <laughs> นี่แค่นี้แหละง่ายไหมปฏิจจารเ <c oughs> <c oughs> ห็นเนี่ยเขาศึกษาปฏิจจารเขาศึกษาไม่มากหรือเขาเรียนกันอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ในแห่งการ ถ้าตามคำพีนะท่านแสดงในของปฏิจจค่าไว้บอกว่าในแห่งสภาวะในแห่งการแสดงในแห่งอัดในแห่งลักษณะในแห่งกิจในแห่งการละแล้วก็ในแห่งปัจจัยนี่เขาแสดงกันอยู่เจ็ดในเจ็ดอย่างนะเช่นถ้าถามบอกว่าในแห่งสภาวะเนี่ยอวิชชาเนี่ยอันนี้ในง่ายมากอวิชชาเนี่ย คงทำได้แก่โมหะเจตสิกอย่างเงี้ยโอ้อย ง, ง่ายๆใช่ไหมก็คือโมหะสังขารได้แก่เจตนากรรม29เห็นนหมอย่างเจตนาเจตสิกที่ในอกุศลจิต12มหากุศลจิตแปรูปกุศล5้าอรูปกุศลสี่เห็นหเจตนากรรม29วิญญาณได้แก่โลกยาวิปากวิญญาณ32สอง นามรูปได้แก่เจตสิกและกรรมมชรูป20สอายตนะก็ได้แก่อายตนะ6จากขายายตนะโสตายตนะคานาชิวหากายและก็มณายตนะผัสสะก็ได้แก่ผัสสะเจตสิกหกจากขู่สัมผัสสะโสตสัมผัสสะคานาสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายสัมผัสสะและมโนสัมผัสสะเวทนาก็ได้แก่เวทนาเจตสิก บอกกันนะจากขู่สัมผัสชาเวทนาโสตสัมปัสชาเวทนาคานาสัมปัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายาสัมผัสสชาเวทนาและมโนสัมผัสสชาเวทนาตันหาก็ได้แก่ตันหาหกปารลตามอารมณ์นะรูปปตัตนหาสัทธาตันหาคันธาตันหาราสาตันหาโพธพาตันหาแล้วก็ธรรมมาตันหา อุปาทานก็จะแก่อะไรนะอุปาทานได้แก่อะไรโลพาและทิฏฐิภพก็ได้แก่กรรมภพกรรมภพราะเจตนา29เหมือนกันก็คือก็คือเจตนากรรมเนี่ยยีบเกเหมือนกันแล้วก็อุปติภวะเก้าอุปติภาวะเก้าอย่างอ๋อเดี๋ยวไปศึกษาก็รู้อุปติภวะคือการการเกิดขึ้นการการ อย่างในเรื่องการเข้าอย่างยกตัวอย่างเช่นกามกามมัพภาวะรูปภาวะอรูปปาาัภญญ า, ว, า, ญญ า, ว, าวะสัญญาภาวะอสัญญาภาวะเนวสัญญาณสัญญาภาวะเป็นต้นอันนี้ก็คือภาวะในอุ ป, อปฏิภาวะชาตินั้นคือกําเนิดทั้งสี่นะําเนิดทั้งสี่มีอันทชาติสังเสทชาติโอปปาติกะเป็นต้นแล้วก็ค้าพเศษากาิกะส่วนชะลา มรณะคือลักษณะของนามรูปลักษณะการแก่และการดับนีโสก่าปริเทวะทุกขโทมนัสโสก่าทุกขโทมานัสองธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกปริเทวะองธรรมก็คือจิตตะสัทธะอุปายาสะองธรรมก็คือโทสสเจตสิกอันนี้ในปัญจปกรบเนีอันนี้จำเข้าไว้ตรงนี้อันนี้ต้องต้องจำคร่าวๆข้าไว้อันนี้คือในยะในแห่งสภาวะ ถ้าศึกษาตามในแห่งสภาวะนี่ง่ายใช่ไหมดูเหมือนง่ายอะดูเหมือนก็คือถ้าถามบอกว่าอาวิชชาองค์ทำได้แก่อะไรสังขารนนะ่ะองค์ทำได้แก่เจตนากรรมยี่สิบเก้าวิญญาณองค์ทำได้แก่โลเคียวิปากะวิญญาณสามสิบสองโลเคยวิาปากะกจิตสามสองรู้จักโลกคียวิปากะกจิตไหมไอเหตุตัก่าวิปากะกจิตสิบห้า รูปวิบาก์าหาวบาหแปดรูปวิบาก์ห้ารูปวิบาก์สี่เนี่ยโลกย่ยวิบาหมีแค่นี้อที่เราบอกกับวิญญาณเนี่ยเนี่วิญญาณใช่ไหมพอบอกอวิชานี่โมหะตัวเดียวถ้าบอกสังขารเจตนากรรมยี่สิบเก้าวิญญาณโลกย่อยปากวิญญาณนามรูปละ่ะนามคืออะไรนามคือเจตสิกสามสิบนามคือเจตสิกเจตสิกสามห้า แต่แท้จริงก็คือเจตสิกทั้งหมดก็เป็นนามอยู่แล้วนี่แหละเจตสิกขั้นสามนั่นเองแล้วก็กรรมมชโรบยี่สิบนั่นคือรูปสรายาตนาคืออายตนาหกผัสสะก็คือผัสสะหกเวทนาคือเวทนาหกตัณหาคือตัณหาหกอุปาทานคือโลภะและทิฏฐิภพก็คือกรรมมภาวะในก็คือเจตนากรรมยี่สิบเก้าแล้วก็อุปติภวะเก้าชาติก็คือกําเนิดทั้งสี่ชรามรณะคือว่าลักษณะของ นามบรลุภูปิหนึ่งแล้วก็อ น, นิสงฆ์ห้าสโสกาปริเทวะสโสกากระทุกขาโทมน า, านัสสะอนิตัวเวทนาเจสิปปรรรรรรรกปริปริเทวะองค์ทำองค์ทำได้แก่อะไรปริเทวะองค์ทำได้แก่อะไรจิตตาสัทธะจิตตวิปาสสัทธะเสียงที่เกิดจากการร้องไห้เป็นรูปหรือเป็นนามจิตตชโรบจิตตชโรบอะไร ถ้าอย่างเสียงที่เราสนทนากันอยู่อย่างนี้เขาเรียกอะไรจิตอะจิตจิตอ่ะอะไรจิตอวิปปลาศสัทธาเสียงปกติอย่างนี้เขาเรียกเสียงปกติเขาเรียกจิตแต่สัทธาจะไม่เกิดขึ้นเลยอย่างเสียงกล่าวพระธรรมเสียงท่องพระธรรมเสียงสนทนาการหรือว่าบรรยายธรรมเนี่ยอย่างนี้คือจิตเสียงปกตินี่เป็นอย่างี้ฮะเสียงแบบนี้ไม่วิปลิตไม่ไม่เกิดจากโทสะ ไม่เกิดจากโทสะไม่เกิดจากการบ่นเพ้อถ้าบอกเอ๊ะเรา ท, ทําไมทําดีแทบตายมาเลยดีก็บน่นเพ้อไปเคยเป็นมหมอย่างนี้ก็เรจิตตาวิปลาสศรัทธาคือเสียงที่เกิดจากโทสะ <c oughs> เขาไม่น่าตายเลยไม่น่าพัฒน์พากไปเลย <c oughs> เนี่ยลักษณะเสียงเนี่ยเสียงบ่นเพ้อนี่เขาเรียกว่าจิตอเสียงที่เกิดจากจิตวิปลาส เนี่ยสัตว์โลกถามว่าในวัฏฏะที่ผ่านมาเนี่ยเราร้องไห้เท่าไหร่พระเจ้าอย่างน้ําตาของเทิมมากกว่าน้ําในมหาสมุทร้องคิดดูกันแล้วกันที่ผ่านมาเนี่ยน้ําในมหาสมุทรเน่ยคิดว่ามากแล้วใช่ไหมแต่ น, น้อยกว่าน้ําตาที่สัตว์บนเพล่คร่ำควรวญร้องไหงเกิดเป็นสัตว์ทุกประเภทร้องไห้หมดถามว่ามันอยู่ที่จิตเนี่ยเขาว่าบาปหรือบุญมันอยู่ตอนนั้นเนี่ยอกุศลและจิตหรือกุศลและจิตเกิด ว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ร้องแต่เครีย ด, เ ค, ยดเครียดเป็นทัวสาวตโทสาวเป็นบุญหรือเป็นบาปไ่นเลยอาการที่จิตแห้งผากก็คืออาการบางทีเนี่ยบางทีไม่ร้องน่หนักกว่าร้องเอาอย่างยกตัวยอย่างร้องไม่ออกเลยช็อกไปเลยหนักกว่าไหมอุปายาเนี่ถ้าอุปายาสนี่หนักกว่าร้องเพราะปริเทวะนี่ เสียงบ่นเพ้อเนี่ยกับไ อ, ไอ้กับไอ้อุปายาตเนี่ยตรงธรรมเขาก็ได้แก่โทสะเหมือนกันเสียงเสียงบ่นเพ้อก็โทสะเป็นตัวขับเคลื่อนไอ้อุปายาตสลบสไลด์ไปเลยหรือว่าลองไม่ออกหรือช็อกไปเลยก็โทสะเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ปริมาณของโทสะแรงกว่ากันตายได้นะตายเดื่องหน้าทั้งโทสะ แต่นี่นี่เข้าใจแล้วนะว่า น, นี่คือนายแห่งสภาวะท่านแสดงกัรลักษณะเช่นนี้แต่ในรายละเอียดยังยังไม่จับตอนนี้นะคือต้องการขยายดูให้มองภาพปฏิจจาให้ออกขอนว่าเขาแสดงท่านแสดงกันอย่างนี้ทีนี้ลักษณะของนายแห่งการแสดงท่านแสดงไว้สีน่นายท่านนายแห่งการแสดงนะอ่าดูดูปฏิจจาในเนี้ยในหน้าสี่ แล้วก็มามาขีดเส้นตามนั้นดูนับตั้งแต่อวิชาเป็นลำดับไปจนถึงมรณะแสดงเฉพาะที่เกิดในไข่และสัตว์ที่เกิดในครรนอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปรารยนานะผัสส า, าวทนาตนาอปาทานภาวะชาติชรามรณะที่พระพุทธองค์แสดงแบบนี้สัตว์ที่เกิดในครรนกับสัตว์ที่เกิดในไข่พระพุทธเจ้าจากแสดงลักษณะเช่นนี้หรือ นับตั้งแต่เวทนาถึงมรณะ้าเวทนาถึงมรณะนี่จากกลางเนะจากกลางไปถึงปลายนี่แสดงเฉพาะสัตว์ที่เกิดผุดโตขึน้นนี้โดยส่วนมากนะพวกสัตว์ที่โตขึ้นมนุษย์เทวดาพรหมนี่ถ้าแสดงมรณะไปจนหาวิชาแสดงเฉพาะผู้ที่เห็นผิดว่าเที่ยงเป็นสัตว์ส ต, สติทิถิถ้าหากกลุ่มที่เป็นสัตสติทิผู้พระเจ้าจะแสดงย้อน ชาลามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชาติมีเพร่อพบเป็นปัจจัยนี้ตามลําดับขึ้นมาจนถึงอวิชชาการแสดงลักษณะนี้นแสดงแต่ตัณหาอันเป็นปัจจุบันเหตุย้อนไปหาวิชาเป็นอดีตเหตุนี้แสดงเพราะสัตว์ที่มีความเห็นผิดว่าโลกทั้งหลายที่เกิดใหม่ศูนย์แสดงให้พวกกลุ่มอุเชต้ที่ถีฝังจะ แ, แสดงลักษณะนี้เริ่มตั้งแต่ตัณหาขึ้นมา ตัญหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะมีเพราะอายตนาเป็นปัจจัยอายตนามีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยหนีในแห่งการแสดงพระพุทธเจ้าก็จะแสดงตามตามอัธยาศัยของสัตว์จริงๆไงนี่เป็นอย่างนี้ <mirrors> แต่บางทีบางท่านเนี่ยพระ อ, องค์ก็แสดงทั้งหมดเลยนะในที่สามพอกล่าวถึงในที่สมนี่ในแห่งอัดเช่นอวิชาใจความก็คือตัวที่ไม่รู้ความจริงในวัตถุ8ประการนะ่ยไม่รู้เบื้องต้นที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้เบื้องปลายไม่รู้เบื้องต้นและเบื้องปลายไม่รู้ความสืบต่อของปฏิจจสมบัติท่าประการ ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือแสดงแสดงในแห่งอัดของเขาแล้วก็ไปแสดงว่าสังขารได้แก่อะไรเนี่ยนี่คือในย่าแห่งการที่จะต้องขยายอย่างพอพูดถึงในเรื่องของอวิชชาเนี่เราก็พอมองเห็นแล้วใช่ไมไม่รู้เบื้องต้นนี่ไม่รู้ยังไงไม่รู้ขันอายันะ ธาตุในอดีตไม่รู้เบื้องปลายก็คือไม่รู้ขันอายตนาธาตุในอนาคตไม่รู้ทั้งเบื้องตน้นเบาาื้องปลายก็คือไม่รู้ทั้งขันอายตนาธาตุทั้งอดีตและนัดอนาคตท่านทับรู้ไหมว่าอดีตนั้นเนี่ยมีขันอายตนาธาตุขันอายตนาธาตุนในอดีตนั้นเป็นอะไรมาอยู่ในภพไหนไม่รู้เลยใช่ไหมขันอายตนาธาตุนในอดีตนั้น ในดิบใกล้ๆเนี่ยมุนอยู่ในพบไหนก็ไม่รู้ไม่มีรู้เลยเห็นไหมเนี่ยคืออวิชาแต่ถ้าคนเขามีวิชาเขารู้แล้วก็ไม่รู้ความสืบต่อของปฏิจจสุบาท์ธรสืบสองอย่างยกตัวอย่างที่บอกว่าตาเห็นรูปปฏิจจสุบาทก็เกิดหูได้ยินเสียงปฏิจจสุบาทก็เกิดเนี่ยไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเนี่ย ว, วิชาเป็นอย่างนี้ ไ ด, ได้กล่าวไปนะเกี่ยวในเรื่องคําว่าปฏิจจสมบูบาทเกี่ยวในเรื่องของปฏิจจะเนี่ยสมุบูรณ์บาสในความหมายที่บอกว่าทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นปฏิจจสมบูบาทก็เกิดได้โดยความหมายคําว่าปฏิจจะนี่ก็แปลว่าอาศัยใช่ไหมสังเนี่ยแปลว่าพร้อมมันจะคําว่าสมมาเนี่ยอุ ป, ปาทาก็คือการเกิดขึ้น ปฏิจจสมบาทก็แปลว่าธรรมที่อาศัยเกิดขึ้นพร้อมหมายความว่าธรรมที่เป็นเหตุผลอาศัยกันเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่ขาดสายการเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่ขาดสายทําให้เป็นความเป็นไปของสังสารวัตนั้นไม่สิ้นสุดลงดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนเช้าก็กล่าวเหมือนกันไม่ว่าจะทางทุกทวารเลยนะทางทวารตาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าทางจากักขุทวาริกจิต โสตทวาริกจิตคานาทวาริกจิตทิวหาทวาริกจิตกายาทวาริกจิตและกรมโนทวาริกจิตวิถีจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปทุกๆขนาดจิตนั้นนั้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นไปแล้วนะครับความสืบต่อกันเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมธรรมที่เป็นเหตุผลอาศัยกันเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่ข า, าดสายเห็นไหม ลักษณะการศึกษาพระธรรมคําสอนอย่างนี้คือการศึกษาปฏิจจานั่นเองถามว่าปฏิจจสมุปาีิเป็นภูมิเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะเพราะว่าท่านกล่าวเขาไว้ว่าขันห้าอายตนาธาสิอินทรีย์ปฏิจจะแล้วก็อริยสัจแท้จริงว่ายังมีมากกว่านั้นอารมณ์ของวิปัสสนานะี่ยไม่ใช่มีอยู่แค่นี้แต่มากกว่านี้แต่โดยสรุปก็คือว่านี่กล่าวใยใจความว่าปฏิจจสมุปาฏิสองคือสิบสองเนะ อวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสรารยตนาเป็นต้นเนี่ยดังที่ได้กล่าวเนี่ยตาที่บอกว่าอาศัยตาแล้วก็สีเกิดจากคุญญณยานการประชุมึงทำสามประการเป็นภาษาเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือเป็นการกล่าวความเป็นไปของปฏิจจานั่นเลยไม่ใช่ไหมนะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของการแสดงปฏิจจสมบทัทที่บอกว่า ในแห่งการแสดงน่มีในแห่งสภาวะในแห่งการแสดงในแห่งอัดในแห่งลักษณะในแห่งกิจแล้วก็ในแห่งการละและวก็ในแห่งปัจจัยลักษณะของการแสดงปัจจัยในเขาแสดงลักษณะอย่างนี้ถ้าถามบอกว่าในแห่งสภาวะได้กล่าวไปแล้วอวิชชาองธรรมได้แก่อะไรเป็นต้นถ้ากล่าวถึงในที่สองในแห่งการแสดงพระพุทธเจ้าแสดงอย่างไร อันนั้นก็ได้กล่าวไปหรือในที่3ามอวิชาที่กําลังพูดไปที่บอกว่าความไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้เบื้องปลายไม่รู้ทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นต้นเนี่ย น, นั่นลักษณะของอวิชานีแต่ในในจุดใหญ่ๆนั้นยังยังไม่ได้กล่าวประการต่อมาคือว่าเกี่ยวกันในเรื่องของสังขารที่จริงก็คือเป็นเรื่องของการที่เรไปจับองค์ธรรมเขาให้ถูกนั่นแหละว่า อาวิชาได้แก่อะไรสังขารได้แก่อะไรวิญญาณ น, นามรูปตรายายตนาเนี่ยนะแล้วก็ผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานแล้วก็พบแล้วก็ชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสะอุปาญาติเดี๋ยวจับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะด้วถามว่าถ้าสังขารปุญญาวิสังขารคือมหากุศลเจตนา8และรูปกุศลเจตนาห้า ปุญญาพิสังขารคืออรูกุศลเจตนาสิบสองอเนนชาพิสังขารก็คืออรูปกุศลเจตนาสี่ใช่ไหมอันนี้เราการที่เราจะแสดงดก็อเนนชาพิสังขารเออปุญญาพิสังขารไงรวมรูปกุศลเจตนาห้าด้วยทีนี้เวลาศึกษาในเรื่องของคําว่าคุณลักษณะพิเศษของปฏิจจุบาทก็ว่างันถ้าผูพูดถึงในเรื่องของว่า วิเศษลักษณะคือลักษณะที่เจตุกะนี่ยชรามรณาทีนางธรร ม, มานางปัจญายระคขโนมีการอุปการละปฏิบัริธรรมทั้งหลายเช่นชรามรณาเป็นต้นเน่เป็นลักษณะคำถามบอกว่าชรามรนนี่มีอะไรอุปการละชาติน่อุปการละแล้วชาติละมีอะไรอุปการละพบอะไรอุปการละพบอุปาทานอะไรอุปการละอุปาทาน นะตัณหาอะไรอุปการลตนณาเวทนาอะไรอุปการลเวทนาภาษะอะไรอุปการล่าภาษาายตนะสลายาตนะอะไรอะไรอุปการลสลายาตนะนามรูปเนอะอะไรอะไรอุปการล่านามรูปวิญญาณนอะอะไรอุปการลวิญญาณสังขารอะไรอุปการลสังขารอะไรอุปการลวิชา อาสวะเห็นไหมว่าเขาจะมีเขาจะมีตัวอุปการะเขาตลอดลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณในลักษณะพิเศษของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาจะมีองค์ตัวอุปการะเขาตลอดแต่จริงๆนียถ้าชื่อเรียกว่าอาหารก็ได้เขามีอาหารเขามีตัวอุปการะมีตัวอุปธรรมนะเพราะอย่างนี้นี่แหละเขาจึงมีอยู่เรื่อยๆอย่าแปลกใจนะว่าทาไมต้องแก่บ่อย แล้วก็ต้องไปตายบ่อยๆเพราะชาตินี้แล้วอุปการะอยู่แต่นี้แักจะเริ่มเบื่อชาติกันหรือยังถ้ายังไม่เบื่อว่าถ้าหากยังไม่เบื่อใช่ไหมก็เขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่เบื่อทุกก็พ้นทุกไม่ได้ถ้าไม่เบื่อชาติก็พ้นจากชาติไม่ได้ถ้าไม่เบื่อชาราและมรณะก็พ้นจากชลาและมรณะไม่ได้ฉะนั้นท่านตรึกท่านพิจารณาท่านไข้ครควรวิเคราะห์ พิจารณาแล้วแล้วเล่าในที่สุด จ, จริงๆท่านบอกไม่เอาแล้วแต่ดูเหมือนดีนะคำพูดคำว่าอุปการะเนี่ยนะทุกขานุพันธนารโสมีการทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในสังสารวัฏเนืองๆนี่นเป็นกิจถามว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะลักษณะของเขาลักษณะคุณลักษณะพิเศษของเขาคือว่าเขาจะต้องทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดในสังสารวัฏอยู่เนือง ความเป็นไปของขันทาตายตนะสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายก็เพราะวงจรของปฏิจจานี้แหละในปัจจุบันพบมันก็มาหมุนทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเห็นไมหมุนไปตามลักษณะอย่างนี้และในอนาคตมันก็จะไปหมุนอย่างี้นะถามลอาดูที่ว่าเงื่อนต่อของแต่และเงื่อนนี่มันไม่ขาดนะมันไม่ขาด เนี่ยลักษณะเนี่ยว่ามีการทําให้สัตนนสสว์ตาาว ท, ตทั้งหลายเกิดขึ้นในสังสารวัตรหนึ่งๆถ้าถามบอกว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในสังสารวัตรหนึ่งๆดูเหมือนจะดีนะเพราะเออทาให้เราได้มีโอกาสว่าเราได้เกิดบ่อยๆเนะี่ยดูเหมือนเออตื่นเต้นทําให้เราไม่สูญหายไ ป, ไปจากโลกทั้งหลายไม่สูญหายไปจากอบัยูมิมนุษยภูมิเทวภูมิแล้วก็รูปภูมิรมรูปภูมินะทาให้เราเย็นอยู่ในส1มบเอภพมิบเอ็ดภูมินนะ วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยดูเหมือนดีนะอีกองของปฏิจจาร์ที่มันหมุนไปตามที่เมื่อวานนี้ที่ดูทั้งสององเลยนะีทั้งปุพันตะพระวจักและอัปรันตะพระจักดูการหมุนของเขาแล้วก็ น, น่าแท้ที่จริงก็คือว่านั่นและเขาทําให้สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในสังสารวัฏเนือ ง, งเป็นกิจประการต่อมาคือว่ากรรมมคะปัจจุปฐานามีการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ หรือมีมีทางเดินที่ไม่ถูกต้องเป็นผลทางเดินวงจรของปฏิจจาร์เนี่ยถ้ามีอวิชชาเป็นตัวนําในอดีตภพมีตันหาเป็นตัวนําในปัจจุบันภพแล้วเนี่ยใช่ทางเดินถูกต้องไหมอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นตันหาเป็นเครื่องประกอบใช่ไหมตอนเช้าที่บอกว่าประชาสัตว์เนี่ยในประชาสัตว์หรือสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอก คือโรคชัดทั้งภายในโรคชัดทั้งภายนอกทําไมจึงเรียกว่าโรคชัดเพราะอะไรรู้ไหมโรคชัดทั้งภายในโรคชัดทั้งภายนอกรุงรังไปด้วยโรคชัดเจ้าแม่ว่าที่เขเข้าไปถามว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญเพราะเหตุ น, นั้นเนี่ยข้าพระองค์จึงขอากาบทูลพระพุทธองค์ว่าใครพึงถางโรคชัดอันนี้เสียได้ใครอะไจะถามโรคชัดอันนี้เสียได้ว่างั้นโรคชัดนี่คืออะไร โรคชัดก็คือตันหานั่นแหละเนะี่ยไอสภาพของโรคชัดเนี่ยเนีที่จริงก็คือนั่นแหละป่าลักษณะป่าที่มันหนาทับนั่นแหละเนะมันเหมือนกับที่โรคชัดนั่นเองถ้าเราดูอย่างนี้ว่าไอขแนแหงไม้ไผ่เวลาเราตัดตัดมันมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกตัดแล้วมันก็ขึ้นอีกแล้วไอขแนแหงของไม้ไผ่เนี่ยมันเกาะเกี่ยวอะไรไว้ได้หมดเลยชั้นใดก็คือว่าลักษณะของโรคชัด คือกิเลสทั้งหลายก็เหมือนกันตันหาเนี่ยนะมันดุดตาขายแล้วมันจะแผ่ซ่านไปตามก็ว่าบางทีเนี่ยนะให้สังเกตดูสภาวะของอสภาพของตันหาเนี่ยมันแผ่ไปในบริขารของตนเองแล้วก็แผ่ไปในบริขารของบุคคลอื่นหรือว่าซ่านไปในอนายตนะภายในแล้วก็เป็นไปในอนายตนะภายนอกอยายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอยายตนะภายนอกก็ไป ยินดีพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์ อ, อื่นของบุคคลอื่นนี่เป็นในเ อ, นเอกนิบาตว่าไงนะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใดที่จะรัดลึงใจบุรุษเท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสของสตรีไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใดที่จะรัลรรล ด, รร ล, ด, ดรลึงใจสตรีเท่ากับรูปของบุรุษนั่นคนละวัคคนละตอนกันนะแต่เอามากล่าวนี้กล่าวถึงในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเลยนะเข้าสาละกันสักทีในนี้ ในปฏิจจสมุปาทในในพิธามัทสังขะเนี่ยนะที่แสดงกันเนี่ยแปลว่าธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมหมายความว่าธรรมที่เป็นเหตุผลอาศัยเกิดขึ้นติดต่อกันเนื่องกันไม่ขาดสายเพราะงั้นแต่ลักษณะของการแปลการทําความเข้าใจเนี่ยจะอันนี้เราว่ากันตามหลักสูตรไปก่อนนะนะ หมายความว่าธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่ขาดสายลักษณะเช่นนั้นเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททําให้สังสารวัฏนั้นเป็นไปโดยไม่สิ้นสุดลงสักทีฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสแสดงเพื่อตั้งเหงการพิจารณาเพื่อเห็นความจริงของสภาวะที่เกิดขึ้นถามพระพุทธเจ้าแสดงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพื่ออะไรเออมีคําสอนอยู่ครับที่พระเจ้าจะตรัสหลายครั้งไนหะที่บอกว่า ผู้ใดเห็นปฏิจจสุบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นปฏิจจสุบาทก็ผู้นั้นก็ไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ไม่พ้นทุกข์ฉะนั้นปฏิจจสุบาทเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอยู่ในขันอาญตนาธาตุสัจจอินทรีย์ปฏิจจสุบาทและสัจอริยสัจสีศึกษาปฏิจจสุบาทแล้วก็ไปสรุปลงในอริยสัจสี่ใช่ไหมเพราะปฏิจจสุบาทที่เราเรียนกันก็คือเรียน อริยสัจสี่นั่นแหละเพราะคําสอนของพุทธเจ้านั้นเนี่ยไม่ใช่ศึกษาปฏิจจารแล้วเนี่สรุปลงอริยสัจไม่ได้อย่างลงอริยสัจไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ทําไมละ่ะหลายๆคนเวลาเรียนปฏิจาาฏจารแล้วพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ว่ากันฟังปฏิจจารสุบาร์แล้วพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฟังแล้วไม่รู้ว่าจะอย่างลงอันไหนส่วนไหนเป็นทุกขสัจส่วนไหนเป็น ส่วนไหนเป็นทุกข์ส่วนไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนไหนเป็นความดับทุกข์ส่วนไหนเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ส่งข้อลงไว้ได้เสียงอะไรเล ย, ดยเดี๋ยนี้พอจะมองเห็นรูปลักษณยสัตว์บ้างไหมอย่างนี้ยยังไม่ทันเดียวนี่นะทีนี้คุณในลักษณะพิเศษของปฏิจจสุบาทที่เรียกว่าวิเศสลักษณะหรือลักษณะลัคนาที่จตุกะรู้จักคําว่าวิเศษลักษณะไหมหมายถึงอะไรวิเศษลักษณะ คือลักษณะเฉพาะตัวของปฏิจจสมุปบาทคือคุณลักษณะประจําตัวของเขาเนี่ ย, น, ยนี่เขาเรียกว่าวิเศษลักษณะลักษณะที่จตุ ก, กะสี่ประการประการแรกที่บอกว่าชรามรณาทีนางธรรมานางปัจญารักขโนมีการอุปการะปัจจุบันธรรมทั้งหลายเช่นชรามรณะเป็นต้นเนี่ยเป็นลักษณะดังที่ได้กล่าวใช่ไหมชรามรณะมีชาติอุปการะชาติมีกรรมอุกอบกรรมภพ อุปการะพบนั่นก็มีอุปาทานอุปการะอุปาทานมีตัณหาอุปการะตัณหามีเวทนาอุปการะเวทนาก็มีภสษาอุปการะภสษาก็มีอายตนะอุปการะอายตนะก็มีนามรูปอุปการะนามรูปก็มีวิญญาณอุปการะวิญญาณก็มีสังขารอุปการะสังขารก็มีอวิชชาอุปการะอวิชาก็มีมีอะไรอวิชามีอะไรนะ่ีทาัน อวิชามีอะไรอุปการะมีอ า, าวสวะเดยมสตรีอาสวะเท่าไหร่คือกามมาสวะภาวาสาวะทิฏฐาสาวะอุปการะอวิชาสาวะใช่ไหมอาสวะองค์ธรรมสี่ใช่ไหมในปริเฉดที่เจ็ดเนนะเรียนมาแล้วอย่าทําท่าลืมกันมากไม่ค่อยดี <laughs> ที่จริงเรียนบริเฉดกันมาแล้วเจ็ดละมาแล้วเนะี่ยอยู่ในหนังสือกลับไปดูอย่า ทุกขานุพันธนรโสมีการทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในสังสารวัตรเนืองนีนเป็นกิจในสังสารวัตทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรากายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอรุปพรมนั้นก็เพราะว่าปฏิจจสมบาทินั่นเองนะช่วยอุปการละกรรมมรรคจฏิ ป, จจปถานามีการเวียนไหวยอยู่ในสังสารวัตรหรือมี การเดินทางที่ไม่ถูกต้องนี่เป็นผลปรากฏการเดินทางอย่างนี้เขาเรียกทางนี้ไม่ใช่ทางบริสุทธิ์ใช่ไหมทางของปฏิจจานี้ไม่ใช่เอกายนามักไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เพราะเดินไปทางนี้จะต้องเข้าไปหาความโศกความร่าไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจให้เดินไปทางนี้ให้เดินตามวงจรปฏิจจานนี้ ถ้าใครต้องการบริสุทธิ์หมดจอดจากกิเลสทั้งหลายใช่ต้องการที่จะพ้นจากความโสก ค, ความล่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจเนี่ยนะนะต้องการที่จะดับกิเลสหรือต้องการที่จะปรินิพานนะต้องไม่เดินตามวงจรของปฏิจจะแต่ถ้าหากเดินตามวงจรของอวิชชาปัจจญาสังขาราเป็นต้นเนี่ยเรียบร้อยเอเราจะทำยังไงเดินออกจากวงจรของปฏิจจะใช่ ต้องการความบริสุทธิ์จากกิเลสมั้ยเราใส่เสื้อผ้า ส, สกรปรกแล้วก็รีบซักกันใหญ่ใช่มผมเผาสกรปรกก็รีบล้างให้สะอาดเนื้อตัวสกปรกก็ดื้อร้างให้สะอา ด, อตกกาอาดแต่ถาม ว, ว่าจิตมันไม่สะอาดไม่ปราศจากราคะโทสะคิดบ้างไหมว่าจะต้องทำให้สะอาดให้ได้นรชนใดผู้มีปัญญาใช่เห็นภายในสังสารวัต มีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารถามว่ามีปัญญาเครื่องบริหารเนี่ยมีปริหาริกับปัญญาเนี่ยใช้ปัญญามาบริหารตนเองอยู่ใช้ปัญญาบริหารกายบริหารวาจาบริหารใจวงงนะ่างเนะี่แล้วก็ตั้งตนไวในศีลตั้งกายกรรมวจีกรรมตนเองและมนโนกรรมตนเองไวในศีลใช่ไหม ไว้ในปาฏิโมกสังวรศีลอินเรียสังวรศีลอาชีวะบริสุทธิศีลสัตว์ปัจจสันนิสิตศีลให้ตั้งอยู่ในศีลเหล่านี้แล้วก็บอกว่ามีสมาธิแล้วก็อบรมปัญญาว่างนะแล้วก็จะพึงถางบลกชัดนั่นได้แล้วก็จะทำให้ตนเองนั้นหมดจดบริสุทธิ์จากกิเลสได้ว่าไงนะทีนี้ ถ้าหากไม่ทำอย่างนั้นน่ะเราไหลไปตามวงจรของปฏิจจะแล้วก็เดินทางผิดนั่นเองทางของปฏิจจเนี่เรียกว่าสมาัมมามรรคหรือมิจฉามารรคมิจฉามารรคโดยบางทีบางทีดูเหมือนเป็นสมัมมามรรคก็ได้นะเป็นมรรคไปในโล ใ, ในในสุคติเหมือนมรรคดีเหมือนกันนะ่นยกตัวอย่างเช่นว่าโมหะทาให้เราเจริญกุศลเนี่ยอุ้ยเหมือนดีนะ แล้วบอกเออดีนะเราไปปรารถนาตาปรารถนาหูปรารถนาจมูกแล้วก็เจริญทําบุญกันใช่ไหมตื่นเช้ามาทําบุญอย่างตั้งจิตว่าโอ้ยในการทําบุญมีปรารถนาเพื่อจะได้ไม่ยากย้เหมือนกันจิตวิญญาณทำบ่อยป่าตั้งจิตอธิฐานมาเกิดชาติใดขอให้ตนเองรวยนะหน้าตาดีนะพอไปปรารถนารวยคือปรารถนาวิบัติเนี่ยเดียวกันไหมอันเดียวกันนะ่ะเนี่ เพราะปาฏิาริย์สวยคือปาฏิหาริย์อะไรที่ปรารถนาถ้ายังไม่ถึงว่าตอนนี้ไม่ถึงบุญใดที่ข้าพเจ้าทําในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุนที่ส่วนกุศลนั้นขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลโกเตระทําก้าวในทันทีกลาไมกล้ตั้งอัธิยาใสอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าตรัสรู้ทำเราใดพ้นจากวัฏทุกข์ได้เนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ทำเหล่านั้นด้วยเทิดเนี่ยนึกนอยู่อย่างเนี้ นะัคือจริงๆไม่ใช่อาเรียมักนะไม่ใช่ทางที่ประเสริฐไม่ใช่หนทางที่กเกษมเลยว่านไม่ใช่เอกายะนะมามักคือทางสายนี้ไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากวัฏทุกได้อาสวัตถฐานโนมีอาสวัธรรมเป็นเหตุให้เกิดนี่คือลักษณะพิเศษของปฏิจจสมบาทนะเป็นการกล่าวถึงเหตุผลโดยทั่วไปทีนี้ถ้าไปพิจารณา ลักษณะขององค์ของปฏิจจสมบัติที่เราได้ดูกันเมื่อวานเนี่ยนะที่บอกว่าอาวิชชาปัจญญาสังขาราสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุเนี่ยนะสังขารปัจจญาวิญญาณังแล้วก็วิญญาณปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรอาศัยสังขารเป็นเหตุใช่ไหมดูในหลักตามไปด้วยนะวิญญาณปัจจญานามรูปังนามรูปปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัย วิญญาณเป็นเหตุนามรูป ป, ปัจจายาสลายตนังอายตนะภายในปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาศัยอะไรอาศัยนามรูปเป็นเหตุคําว่าอายตนะนี่ต้องบ่งบอกไปด้วยนะว่าเป็นอายตนะภายในนะเป็นเขาเรียกว่าฉัฏฐานายตนะคืออายตนะภายในผัสสะยัตสลายตนะปัจจายาผัสโสผัสสะปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยสรายตนะ เป็นเหตุผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปรากฏเกิดข nope. ึ้นเพราะอาศัยผัสสะเป็นเหตุเวทนาปัจญาตันหาตันหาปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนาเป็นเหตุตันหาปัจญาอุปาทานังอุปาทานปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยตันหาเป็นเหตุอุปาทานปัจจญาภโวพบปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปาทานเป็นเหตุ ภาวะปัจจยาชาติชาติปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยพบเป็นเหตุชาติปัจจยาชรามารณังชรามารณะโสกกาปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาตที่เรียกว่าชาติปัจจยาชรามารณังโสกกาปริเทวะทุกขะโทมนัสสะสัมพวันตินี่นะโสกกาปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาตปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุนะทั้งชราด้วย เอวเมตาสาเกวราศาทุกขขันธศาสาสมุทโยโหติใช่ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งปวงนี้เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีวิชาเป็นต้นดังที่ได้แสดงมาแล้วนี้ทีนี้ลักษณะอย่างนี้คือปฏิจจสมุปบาทเวลาแท้จริงน่บุคคลที่ในกลุ่มอุคติตันโูฟังอย่างนี้ทะลุแล้วนเนี่ยเขาจาแนกบุคคลเป็นสี่จพวกใช่อติตันโเวปกิตัญโู ในญาติแล้วก็ปทาปรมะท้าอุคติตันโยก็บอกฟังหัวข้ออย่างเนี้แล้วสามารถแทงตลอดอริยสัจได้เลยนะพอบอกวความปรากฏขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้คือความเกิดขึ้นของโลกนี้คือความเกิดขึ้นของกองทุกนะเนี่ยพอตัดในลักษณะนี้ท่านแทงตลอดได้นะนี่คือกลุ่มอุคติตันโูไม่ต้องขยายเลยนะ แต่ถ้าวิปปจิตันยูแหละมาขยายอวิชาคืออะไรสังขารวิญญาณนามรูปตรายยานะภาษาเวทนาตันหาประานเพราะว่าชาติชรามรณาโศกาภริเทวทุกขโทมนาสอุปายาตขยายไปเนี่ยในที่สุดจริงบรรลุเลยแต่ถ้ากลุ่มไนยะนี่ท่องเอาไปท่องเอาไปสาธยายสาธยายแล้วแล้วเราเล่าทบทวนตรึกพิจารณาแล้วแล้วเราๆในที่สุดจริงๆก็แทงตลอดพ้นจากวัฏทุกได้ แต่ถ้ากลุ่มประทับปรมามะก็คือฟังให้เป็นวาสนาพากิจยา <c oughs> ฟังให้เป็นวาสนาไปขอกขอให้ได้ขอให้ได้บรรลุพันิพาณในอนาคตการเบื้องหน้านนเธอเนอนแต่อย่างเราเนี่บางคนนะว่าเป็น น, นัยยะเนียแต่ความเพียรไม่ถึงได้ยมับอกยังไม่ไภแล้วยังติดเพื่อนมากนี่ลักษณะอย่างนี้คือคือองปฏิจจสุบาท ทีนี้จำแนกปฏิจจสมบัทนะที่กล่าวไว้แล้วทวนครั้งที่แล้วนิดหนึ่งก็คือวิธรรมัตจสังหะนี่นะในปฏิจจสมบาทเนี่ยธรรมเนี่ยเป็นมีนายแสดงอยู่กี่นายเจ็ดนายดูเลยดูเจดนายเจ็ดนายมีอะไรตโยอัธาใช่ไหมทวาตโยอัธานี่คือการสามอัธาสามเนี่ยนะทวารทสังฆานี้คือ อะไรสิบสองอะไรสิบสององสิบสองวีสตาการานี่อะไรคืออกันยี่สิบตีสันทิเออเห็นมาพอรู้ <c oughs> เห็นเรียนบาลีมาเลยถามได้เลยไม่ใช่เลยรหรอกส่ว <c oughs> นที่สามจตุสังเคปาตีนิวตานิหัวตาสามาเวมูรานินี่มูลสองเนีย าเวทีตภานี้ในปฏิจจสมบัตินี้ท่านจำแนกแสดงออกเป็นเจในนะการ3มองค์12อาการ20ส่วนที่สสังเข็4วตัตตะสแล้วก็มูลสองเพื่อให้เข้าใจในต่างๆได้สะดวกเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจในองค์ของปฏิจจสมบัท12นะที่แสดงอุปการะระหว่างปัจัยปัจยุบธรรมเป็นเบื้องต้นให้ชัดเจนจะได้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมือนเราดูในชี้เนี่ยนะคือจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหลักปฏิจจสมุปาตตรงเนี้ยอย่างในหน้าดีส่เนี่ยทำความเข้าใจแล้วแล้วเราเล่าตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เข้าใจหมดแล้วอ๋อถ้า ง, งั้นดูนะฮะใช่ถ้าดูง่งายๆเขาบอกถ้าทาถ้า <c oughs> อย่างเงี้ยก็ดู <c oughs> ถ้าบอกว่าแต่โยอธาการสามนี่เห็นเลยนะอดีตการปัจจุบันอาคารนาคตการบอกเห็นเลยตรงเนี้ย <c oughs> บอกเลยดูตารางแรกเลยซ้ายมือเห็นชัดเลยบองเนะอะไรคืออดีตการเอาวิชาและสังขารใช่ไหบวกอะไรด้วยอ่าบวกตัณหาอุปาทานกรรมมภวะเข้าในอดีตการด้เป็นธรรมที่เกิดในพบก่อนใช่ปัจจุบันาการมีอยู่แปดคือนามวิญญาณนามรูปสรายตนาผัสสะเวทนาแล้วบวกอะไรด้วยบวกอะไรด้วย อะไรห้าปัจจุบันผลห้าคืออะไรคืออะไรแท้ที่จริงอันเดียวกันนี่แหละวิญญาณนามรูปสรายาตนาภาสาเวทนาตันหาอุปาทานกรรมภวะนี่เป็นปัจจุบันอาการทำที่เกิดในพบนี้อนาคตการก็คือชาติชรามรณะแท้จริงก็ต้องชี้ไปที่ไหนอีกวิญญาณนามรูปสรายาตนาภาษาเวทนาใช่ไหมเป็นอนาคตผลห้าอันนี้เขาเรียกว่าการสาม พอไปนับองค์ส2บสองก็คืออะไรอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายตนาะภาษาเวทนาตันหาอุปาทานภาวะชาติชรามรณะนี่สิสองนะจะนับเลยไปกว่านี้เดี๋ยวมากอันนี้เป็นองค์ของเขาจริงๆอาการยี่สิบอดิตตะเหตุห้า น, นี่จะนับยังไงอวิชชาสังขารตันหาอุปาทานกรรมมะภาวะสิบในวงเล็บหนึ่งนั้นคือกรรมภาวะ แล้วก็ปัจจุบันผลอีกห้านะไดห้าไปแล้วใช่ไหมอดีตเหตุห้าปัจจุบันนผลห้าวิญญาณนามรูปรารยตนาภสษะแล้วก็เวทนาสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยดูตัวเลขตามไปด้วยแล้วก็ปัจจุบันนเหตุห้ามีอะไรตันหาอุปาทานแล้วก็กรรมมีอาวิชาสังขารไหม มีใช่ไหมอาวิชาสังขารเข้ามาบวกด้วยก็เป็นปัจจุบันอเหตุห้าอนาคตผลอีก5าวิญญาณนามรูปสลายเนยนะผัสสะและกเวทนาก็คืออนาคตก็ต้องไปแก่ไปตายอีกนั่นเลยสรุปแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอาการ20นะอะสนที่คือเงื่อนต่อเงื่อนต่อ น, นี่นะระวางเหตุกับผลระหว่างอะไรกับอะไรอดีตเหตุกับปัจจุบันผลคือสังขารและวิญญาณ น, นี่นะนี่ส่วนที่หนึ่ง เงื่อนต่อหนึ่งระหว่างปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุคือระหว่างเวทนากับตัณหาเนี่ยนะมีส่วนที่หนึ่งมีเป็นส่วนที่ที่สองส่วนส่วนที่ที่สระหว่างกรรมปภะกับกับอะไรชาติอย่างนะีเมื่อทํากรรมก็ต้องไปเกิดอีกแล้วปัจจุบันเหตุกับ น, นาคตผลมีอีกส่วนที่หนึ่งนี่เป็นเงื่อนที่สาม อะไรที่ทําให้ปิดบงังเม่เราเห็นเงื่อนสามเงื่อนนี้ได้อะไรปิดบงังอะไรปิดบงังสัตว์ไว้ทําให้เราไม่เห็นเงื่อนต่อรู้ไหมว่าอะไรเป็นตัวปิดบงังอะไรที่ทําให้เรามืดบอดหลงงม ง, งายไม่เห็นเงื่อนต่อระหว่างอดีตเหตุกับปัจปจุบันนผลปัจจุบันน่ผลกับปัจจุบันในเหตุแล้วก็เออทําไมอ่ะ ทำไมไม่รู้อะไรเราเป็นตัวเป็นตัวปิดเงื่อนต่อเรานี่อาวิชานี่แหละใช่ไหมอะไรทำให้เราไม่เห็นอริยสัจใครทำให้เราไม่เห็นอริยสัจวิชานะเห็นทีไรเห็นสีงามสีสวยทุกทีเลยนะเห็นทีไรก็ขนมชิ้นนั้นน่ากินอยู่เลยนะ <c oughs> ใชจไหมมันไม่เห็นอริยสัจตะกี้บอกนี้ทกเกืเคยบ้างไหมเวลาจะเคี่ยวเวลาจะ จะรับประทานอาหารหนนี้ทุกไม่เห็นทันทีแล้วก็สังเขปจตุสังเขปปาคือการรวมไว้เป็นหมวดหมวดเนี่ยนะสังเขปแรกนี่อะไรต่ออะไรเนะนี่ยนับยังไ ง, งจัดเป็นสังเขปหนึ่งนะและสังเขปที่สองอะ่ะเป็นหมวดหนึ่งใช่สังเขปที่สองคือ วิญญาณนามรูปสไลน์นภาษาเวทนาสังเขปที่สามเอสังเขปที่สีช่ชรามรณานะที่จริงก็คือไปรวมมาการยี่สิบเข้ามาด้วยนั่นแหละรวบรวมเป็นหมวดหมู่ได้อ่าต่อไปวัตตาสามองปฏิจจสุบาทนี้อะไรจัดเป็นกิเลสอาวิชาเป็นกิเลสไหม เป็นกิเลสเนีเป็นกิเลสสวัสดแล้วก็ตัณหาอุปาทานก็เป็นกิเลสแล้วก็อะไรอีกหมดที่อย่งกิเลสมีสามนีกรรมวัฏเรามีเท่าไหร่คือสังขารกับกรรมอภวะเนีวิปากวตฏก็คือวิญญาณนามรูปจรรย์ยตนาผัสสาะเวทนาแล้วก็ชาติชรามรณะนะอุปติภวะชาติชรามรณะอันนั้นเป็น วิปากวัฏมูลสองก็คือว่าอาวิชชาเป็นมูลต้นมูลแรกคือปุพันตาเพราะวาจักตันหาเป็นอัปรันตะเพราะว่าจักนะนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้มองออกอะไรนะเขียนนี้มองออกง่ายมากเขาบอกก็เปิดมาหน้าเจ็ดเขาบอกมูลสองเขาไว้อวิชามูลกับตันหามูล mm hmm. ทําไมเลยอ๋ mm hmm. อ, อ, อคือจริงๆปุพันต์ตาเพราะว่าจักใ่อันแรก ได้ด้วยใช่เป็นเหตุในอดีตเหตุเห็นในปัจจุบันก็ในหน้าที่เก็บในในแผ่นเอกสารเนี่ยที่บอกว่าตรงนี้เขาก็ว่ามาตามลําดับหมดแล้วเนี่ยสังเขปคือจริงๆที่จัดตัวเป็นหมวดสังเขปเป็นหมวดสี่แล้วก็วัตตะนี่ก็แล้วก็มามูลสองตั้งแต่อดีตไปเหตุเป็นต้นจนถึง ปัจจุบันนผลเป็นเพราะวจากอันหนึ่งชื่อว่าปุพันตาเพราะว่าจากเป็นเพราะว่าจากแรกตั้งแต่ปัจจุบันใเหตุเป็นต้นจนถึงอนาคตผลเป็นจากอันหนึ่งชื่อว่าอปรันตาเพราะว่าจากเป็นเพราะว่าจากหลังวง น, นัง่นเองทําให้ละเอียดละ อ, อกขนาดนี้ไม่ค่อยากเรียนนิดหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจหมดเลยเนะี่ยใครไม่เข้าใจตรงเงยยงเนเลยเนะเข้าใจเนะี่ยจริงป่ะดีในะการเรียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจดี ทำให้สมองไ ด, ไ ด, ได้ได้มีโอกาสคิดมากขึ้นนันเองแต่บางคนถ้าไม่เข้าใจเลยปล่อยมึนๆไปงั้ น, นอือนะอัปปารันตาเพราะวาจกใช่ไห ม, มอ๋อมันอย่างนี้จริงๆคืออย่างนี้อัปปารันตาเพราะว่าจักเนี่ยมันเป็นเหตุในปัจจุบันเมื่อเป็นเหตุในปัจจุบันก็จะได้รับผลในอนาคตก็คือเป็นข้อบ่องบอกว่ามันจะหมุนไปในอนาคตอีกนั่นเองใชค่คือคือเป็นเป็น ตัณหาเป็นตัวประกอบในปัจจุบันนภนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้กับสังสารวัฏนั้ น, ะ น, ะนะยาวนานไปในอนาคตฉะนั้นจึงชื่อว่าอัปรรจตเพราะรว่าจักก็ถูกต้องตามหลักนั่นเลยอยากพ้นทุกข์มพอศึกษาปฏิจจารแล้วทีนี้เกี่ยวกับในเรื่องของในตรงนี้จะอธิบายคร่าวๆไปหรือเปล่าไม่ละเอียดใช่ไมตรงนี้ปลาดนาต้องการอยากฟังละเอียด หรือแค่นี้พอฟังแค่นี้เข้าใจไหมเนี่ย ล, ลองขยายอีกนิดหนึ่งนะอัะดูกลับมาย้อนดูนิดเนียเดี๋ยวก็ไม่ใช่เราเห็นอัดเทปเลยไม่ค่อยอยากย้ำไปย้ำมาไม่ใช่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะในการสามดูอัดทาเนี้ยอัดาเนี่ยในหน้าที่หกเลยดูหน้าหกนี้นะในปฏิจจสมบัตยนักศึกษาทั้งหลายพึงทราบว่างั้น การสามองค์สิบสองประเภทยี่สิบความสืบต่อกันสามหมวดสี่ความหมุนเวียนสามแล้วก็มุนสองอัฏฐาเนะี่ยคำว่าอัฏฐาเนะนี่ยก็แปลว่าการก็แปลว่จจ า, าการปัจจุปันน า, าอัฏฐาก็การปัจจุบันอนาคตอัฏฐาการอนาคตนะแล้วก็อตีตอัฏฐาเนี่ยการอดีตชข้มามาอวิชชาและสังขารเนี่ยอันนี้เป็นอดีตการเป็นอติตอัฏฐานี่เอง เป็นธรรมที่เกิดได้พบก่อนๆนันะ้นธรรมที่เกิดได้พบก่อนนั้นนะ่ยยกอวิชชาและสังขารขึ้นมาเป็นธรรมในดีตการทีนี้พอยกอวิชชาขึ้นเป็ น, น ธ, รธรรมในดีตการแล้วองค์ธรรมแปดที่อยู่ตรงกลางดูวงล้อไปด้วยก็ะจะเห็นองค์ธรรมแปดที่อยู่ตรงกลางคือวิญญาณนามรูปสรายยตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานกรรมะพราะว่เหล่านี้ ที่เป็นปัจจุบันาการคือเป็นธรรมที่เกิดในภพนี้คืออย่างนี้ว่าอาวิชาและสังขารทั้งสองนี้เป็นอดีตการคือเป็นธรรมที่เกิดในภพก่อ น, อนส่วนองค์ธรรมแปดที่อยู่ตรงกลางคือวิญญาณนามรูปสรายนะผัสสาะเวทนาตัณหาปราทานกรรมมาเพราะเหล่านี้เป็นปัจจุบันาการคือธรรมที่เกิดในภพนี้ที่อานาคตการไปไหนตรงนี้ขาดไปนะตั้งนั้นนะขาดหายไปแล้วก็ ชาติชรามรณะใช่ไหมชาติชรามรณะหายไปอันนั้นเป็นอนาคตเป็นอนาคตตาทานะเป็นอนาคตาการเดี๋ยวใครช่วยเติมไปด้วยนี่ก็ทําให้สมบูรณน์นี้หนึ่งนี่นี่หน้าหกนี้ไม่สมบูรณ์อ่าเป็นธรรมที่จะเกิดในภพหน้าบอกงั้นชาติชรามรณะนี่เป็นธรรมที่จะเกิดในภพหน้าก็ไม่เป็นไรเราเราก็นึกว่าเขาทําให้ดีแล้ว เราไม่ได้ทนะํานี่ยเอเปิดมาดูหน้าสี่ก็ไ ด, ดนนะ้ดูหน้าสี่จะเห็นเห็นไหดูหน้าสี่เี่ยเห็นเลยว่าชาติชรามวารณะเป็นอนาคตผลเนี่ยนะเป็นนาเป็นนาคตาอาาัาเเห็นเลยชาติชรามวารณะเห็นไหมเพราะมันได้ได้มาสิบเอ็ดแล้วเนี่ยแล้วก็เ อ, อได้สิบมาแล้วได้ได้มาสิบแล้ว ก็เติมไปว่านั้นเป็นธรรมที่จะเกิดในภพหน้าอันนั้นเขาเรียกว่าการสามถ้ามองตรงนี้เข้าใจไหมคือในวงจรของปฏิจจาสมาบาทเนี่ยนะท่านแบ่งอย่างนี้เพราะต้องการจะแบ่งให้ดูว่าระหว่างการเนี่ยนะมีจริงๆนะว่าอดีตการเป็นยังไงปัจจุบันการเป็นไงและอนาคตการจักเป็นอย่างไรที่จริงถ้าถามว่าถ้าไปแก่ใช่ไหมถ้าไปเกิดชาติถ้าไปเกิดในภพหน้า แล้วก็ต้องไปแก่ในภพหน้าแล้วก็ไปตายในภพหน้าแต่เมื่อไปเกิดเนี่ยถามอะไรไปเกิดก็วิญญาณนามรูปสรายยตนาัสส า, าเวทนาอีกนั่นแหละใช่ไหมวิญญาณนั่นเองเป็นตัวปฏิสัณฑ์ที่วิญญาณแล้วเมื่อไปมีวิญญาณนามรูปสลายยตนาแล้วมีมีเวทนาและตัณหาในนาคตมีอีกไหม น, นี่เป็นอย่างนั้นอภิการต่อไปก็คือดูองค์สิบสององค์สิบสอง ในองค์ส2องก็คืออวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายาตนาภสสาเวทนาตันหาปาทานภวะชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนาาัสะอุปายาตเนี่ยเป็นนิสันแผลเขาเรียกว่าผลที่สืบเนื่องมาจากชาติไม่ใช่เป็นองค์ธรรมโดยเฉพาะไม่จัดว่าเป็นองค์ธรรมของปฏิจจสมบัติโดยเฉพาะเพราะจริงๆถ้านับโดยประเภทเนี่ยแยกออกมาได้เป็น18ใช่ไม ถ้านับโดยองมีสิบสองปฏิจจาฉะนั้นอันนี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากชาติถ้าไม่มีชาติสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีอ๋อสภาวะของอวิชาก็คือโมะมัเ่มากสภาวะออาวชาใช่ใชส่วนอวิชาร์ที่เป็นองค์ของปฏิจจาร์ก็คือถ้าพูดอย่างนี้นะว่าปฏิจจารมีอยู่สิบสององปฏิจาาจาราดิสิบองอทีนี้ถ้าไปถามบอกว่าอวิชาคืออะไรล่ะองธรรมก็ได้แก่โมหะ แต่ว่าไม่ใช่พอไปเรียกโมหะในที่นั้นท้างนั้นก็จะไม่รู้กันอย่ไหมบางคนเรียกอวิชานี่ไม่รู้เลยนนคืออย่างนี้นนะเวลาฟังพระธรรมเนี่ยนะให้นึกอย่างนี้ว่าก็ขนาดข้างคาวฟังยังได้บุญใช่แล้วต่อไปยังแตกแานในพระไตรปิฎกแตกแานในในในพิธ ร, รมปิฎกได้เห็นว่าจริงๆอะท่านฟังให้บุญเกิดก็แล้วกันไอ้ที่รู้หรือไม่รู้ ตั้งอธิยาสายก็ไว้ไม่ใช่ฟังปุ๊บจะให้รู้เดี่ยวนั้นได้ไม่ใช่โอ้โหใช่ไหมถ้าฟังแล้วรู้ทุกถ้อยคำแล้วบรรู้หมดแล้วไม่ใช่แต่ค่อยค่อ ย, ค, อยค่อยศึกษากันไปตรงไหนไม่รู้สอบถามออสอบถามเลยลใช่สิก็เหมือนอย่างนี้นะใชถ่ถ้าถ้าพูดอย่างนี้นะว่าสังขารองธรรมได้แก่อะไร ใช่ต้องสังขารก็คือองค์องค์สิบสองในองค์ปฏิปักษ์เพราะว่าจริงจริงคือเพราะจริงๆมันอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอาวิชาใช่ไหมเอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายาตนาภาสาเวทนาตนาันหาปราทานพบชาติชรามรณะโสกภริเทวทุกขโทมนะสาวุปายาตนี่โดยประเภทแต่โดยสรุปก็คือไปจบลงตรงชาติชรามรณะ สิองค์เนี่ยนะอันนี้คือองค์ของปฏิจจสุบาทแต่ถ้าถามว่าองค์ของปฏิจจสุบาทแต่ละองค์นั้นน่ยสภาวะหรือองค์ธรรมของปฏิจจสุบาทอีกทีมันได้แก่อะไรก็ต้องไปย่อยออกมาใช่ไหมเพราะถ้าพูดถึงโมหะอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ได้ระบุลงไปว่าโมหะในไหนถ้าระบุบอกว่าโมหะในอกุศลละจิตอย่างนี้บอกโอาดึงเอาโมหะทั้งหมดเลยใช่ไหม ถ้าบอกอวิชชาเนก็ยังเครือบแคงอยู่นะว่าเอาแค่ไหนขอบคายของอวิชชาอยู่แค่ไหนถ้าบอกสังขารเนี่ยเอาเจตนาในไหนล่ะยังไปแยกเป็นปุญญาวิสังขารปุญญาวิสังขารอาเนีนชาพิสังขารเนไหมถ้าวิญญาณก็ยังไปแยกเป็นปฏิสนธิวิญญาณประวัติวิญญาณอะไรต้องไปแยกกันอีกนะก็ต้องไปแยกไปในลักษณะนั้นนั้นะการศึกษาเนี่ยไม่ต้องไปนั่นหรอก ต้องค่อยๆเจาะลงไปเรื่อยๆในที่สุดจริงๆก็โอ้โหเนี่ยเป็นอย่างนี้โรงนี้เรียนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว <c oughs> <c oughs> ใโอ้โหไม่ได้เลยโอ้โหอย่างนั้นไม่มีไม่มีใครทําได้ <c oughs> แต่ถ้าหากว่า <c oughs> ในสมัยพระพุทธการก็พูดกันนี้จบเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> เร็วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยท่านตรึกพิจารณาหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันรอบแทงตลอดอรตรีญาณด้วย เ ย, ย, ยมแจ่มใสไปหมดแล้วท่านไม่ต้องลงอบายแล้วก็คือ ก, ก็ก็ทําไงได้เรามาเกิดยุคนี้กันเนอะนนก็ลองคิดดูอย่างงี้นะลองคิดดูว่าชาวที่เขาไม่เคยฟังเลยแค่จะตั้งจิตคิดฟังเขายัางไม่ตั้งแล้วเราแค่ตั้งจิตคิดฟังนี่เรามาตั้งห้าสิบหกสิบอร์ซ็ตแล้วใช่ไหมมันต่างกันเรเยอะแล้วถ้าคิดอย่างนี้มันก็อุ่นใจนะแต่จะไปเทียบดิ เราไปฟังปุ๊บไปเทียบภาษาทริบท์ด่อยเทียบสูงเหลือเกินท่านต้อง้งหนึ่งสงไขใช่ไหมไม่เคยมีคนฟังดินคนนอนหมดแล้วนะอา๋อ ท, ท่านท่านเดี๋ยวนี้มีพระออกออกวิโยเยอะหรือนี่คือองค์สิบสองนะ<ม>ส่วนนาการยี่สิบก็คือว่าอาดีตเหตุหาปัจ 5, ปจุบันผลห้าปัจจุบันเหตุห้านาคตผลห้า ห้าสี่ยี่สิบง่ายเลยตอนนี้ใช่ไหมอดีตเหตุเหตุในอดีตพบมีอยู่ห้าอวิชาสังขารตันหาอุปาทานกรรมมาเพราะว่าแต่นี้พอเพระอิญเรายังไม่ได้แจกแจงว่าอาวิชาคืออะไรตัสังขารตันหาอุปาทานกรรมมเพราะคืออะไรแต่ต่อไปเขาไปแจกแจงอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ฟังพอเป็นเครื่องทรงจําไว้ก่อนปัจจุบันผลผลในปัจจุบันพบมีห้า วิญญาณนามรูปสารายะตนะผัสสาวทนาอันนี้เป็นปัจจุบันนภพปัจจุบันนผลปัจจุบันนเหตุก็ห้ากันตัณหาอุปาทานกรมมรมภวะอาอวิชชาสังขารอาวิชชาสังขารมาอยู่ในปัจจุบันนภพตัณหาเป็นตัวนำไปนะอนาคตผลก็คือผลในอนาคตภพก็คือวิญญาณนามรูปสารายะตนะผัสสเวทนานี้เรียกว่าอาการยี่สิบอาการเป็นไป ในอดีตความเป็นไปในปัจจุบันความเป็นไปในอนาคตส่วนที่3 ส, ส่วนที่3ามเงินการสืบต่อกันนนระหว่างสังขารกับวิญญาณที่เป็นในอดีตเหตุกับปัจจุบันผลต่อกันในส่วนที่1เวทนากับตัณหาที่เป็นปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุต่อกันในส่วนที่1แล้วก็กรรมมาภาวะกับชาติที่เป็นปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลต่อกันอีกส่วนที่หนึ่ง อวิชชาปิดหมดเลยไม่เห็นเลยพนะวกเรานี่ปิดกันหมดเลยสังเขปสีหมวดนี้นะอวิชชาสังขารที่เป็นอดีตตเหตุอวิชาอาวิชชาสังขารที่เป็นอดีตตเหตุนี้จัดเป็นหมวดหนึ่งวิญญาณนามรูปสารายัตนาภาษาเวทนาที่เป็นปัจจุบันผลก็อีกหมวดหนึ่งตัณหาปารทานกรรมวะที่เป็นปัจจุบันเหตุทั้งหมวดหนึ่งนักชาติเจรามบราณาที่เป็นอนาคตผลหมวดหนึ่ โสกะปริเทวะทุกขโทมนะสาวปลายาตทรงค้ออยู่ในหมวดที่สี่นะอยู่ในชาติเชรามราณะเพราะเขาเป็นผลของอะไรปริเทวะเนี่ยโสกะปริเทวะทุกขโทมนะสาวปลายาตเป็นผลของอะไรอืมเป็นนิสันแต่ผลผลที่สืบเนื่องมาจากชาติคือการเกิดวัตมูลหรืวัตตาคือวนสามเนี่ยนะกิเลสวรรัตอวิชาตันหาประธานเป็นกิเลสวรรัตกามวัตก็คือว่า กรรมมาเะาแล้วก็สังขารเดี๋ยวเขาไปแจกแจงแลว่าต่างกันยังไงวิปากวัฏการหมุนเวียนวิบาก8อุปติภาวะวิญญาณนำรูปสราเยตนาภาษาเวทน า, ภ า, ภาชาติชารามรณนะ์อันนี้เป็นวิปากวัฏกิเลสกรรมวิบากนีการหมุนเวียนในวัตะอธิบายไปแล้วมูล2ตันหาอวิชามูลกับตันหามูลเนี่ยเขาเรียกภวจัก ปฏิจจสมบัติทำเมื่อแบ่งออกเป็นเพราะวจักแล้วมีสองอดีตเหตุเป็นต้นจนถึงปัจจุบันผลเป็นเพราะว่าจักอันหนึ่งชื่อว่าปุพพันตาเพราะวจักไปดูในวงล้อแรกได้อวิชชาสังขารวิญญยานามรูปสลายยัตนาผัสสะเวทนาเ น, นี่ยนะอันนี้คือปุพพันตะเพราะวจักก็เรียกอันอวิชชานาำไปถึงเวทนาแต่ว่าพอรอบแรกรอบ รอบที่รอบแรกในหมุนในรอบในหมุนตามไปด้วยตันหาอุปาทานกรรมปวะชาติชรามรณะ ก, ก็ตามไปด้วยส่วนตันหามูลเนี่ยเป็นมูลอย่งอป ร, รันตากราวะจักที่จะไปในนาคเนี่ยนะเราให้ถึงชรามรณะตันหาอุปาทานกรรมปวะชาติชรามรณะข้างในตามไปด้วยแมยอวิชาสังขาร วิญญาณนามรูปสรายยตนาผัสสะเวทนาก็หมุนตามไปด้วยอันนี้ก็คือการหมุนไปในอปพันตัภาวะจักอวิชชาเป็นเหตุสังขารเป็นผลสังขารเป็นเหตุวิญญาณเป็นผลวิญญาณเป็นเหตุนามรูปเป็นผลนามรูปเป็นเหตุสรายยตนาเป็นผลสลายยตนาเป็นเหตุผัสสะเป็นผลผัสสะเป็นเหตุเวทนาเป็นผลเวทนาเป็นเหตุแล้วก็อวิชชาเป็นผลเนี่ยนะ เมื่อเวลาใดตันหาเกิดขึ้นโดยสายเวทนาเป็นเหตุแล้วในขณะนั้นอวิชาก็เกิดขึ้นพร้อมกับตันหาด้วยฉะนั้นเมื่อเพระาะจักหมุนไปเวทนาแล้วจึงหมุนกลับเข้าหาวิชาตั้งต้นใหม่อีกระหว่างนั้นมองเห็นไหมตรงเนี้ทีนี้พอการหมุนไปในอปรันตาพราะวจักเนี่ยตันหาเป็นเหตุอุปาทานเป็น ผลอุปาทานเป็นเหตุกรรมมาเพราะว่าเป็นผลกรรมมาว่าเป็นเหตุชาติเป็นผลชาติเป็นเหตุชรามรณะเป็นผลชรามรณะเป็นเหตุแล้วก็ตันหาก็มาเป็นผลเมื่อเวลาใดความแก่และความใกล้จะตายเกิดขึ้นแล้วเวลานั้นผู้นั้นย่อมมีความอยากกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวและอยากมีอายุยืนนี่เข้าที่บายตามนี้ซึ่งเป็นความต้องการเหล่านี้ก็เป็นการมาสวะอันได้แก่ตันหานั่นเองเกิดขึ้นโดยอาใัยชรามรณะเป็นเหตุฉะนั้น เมื่อเพราะว่าจากหมุนไปถึงชรามรณาแล้วจึงหมุนกลับเข้าหาตัณหาตั้งต้นใหม่อีกคือต้องการเกอธิบายว่ามันกลับมาเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้นะอันนี้คือองค์ปฏิจจสมบัติทีนี้ต่อไปก็คือว่าศึกษาองค์ทำสภาวะไปด้วยแล้วก็ทําความเข้าใจอธิบายสภาวะของเขาไปด้วยนะมีใครสงสัยอะไรไหมถ้าไม่สงสัยขึ้นหน้ากล่าวไว้ เ, เ, เร็วดี๋ยวกันเลยนะียการศึกษ า, างเงี่ยนะ แต่ตรงนี้จะเริ่มช้าลงเล้ตอนนี้อาวิช า, อ, ชาอืมใช่ที่ขยายดูฉะนั้นถ้าเจอลักษณะอย่างนี้ใช่ั้ยกรณีที่บอกว่าถามว่าการศึกษาปฏิจจสุบาทเนี่ยสังสารวัตรเนี่ยไม่มีเบื้องต้นและที่สุดเนี่ยถามว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากปันใดยากจริงๆอุปมาเหมือนอะไรบุรุษอยู่ขอบจักรวาล สี่คนนะ่ะแล้วก็บุรุษนั้นอยู่ขอบจักรวาลนนักะ็มีห่วงนะมีเฉวียงมีห่วงเล็กๆแล้วก็ฟืองโยนห่วงนั้นนะ่ะด้วยด้วยแรงบุรุษที่มีกําลังบางกลางนี่โยนมากลางมหาสมุทรกลางทะเลอร้อยปีเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาแล้วก็โผล่มาพร้อมกันพอดีนะพร้อมกับแล้วไอห่หวงนั้นพอดีกับหัวเ ต, ต่านั้นนะ่ะสวมกันเป๊ะพอดนะีนั่นแหละการได้เกิดเป็นมนุษย์ ยากอย่างนั้นนี่ยากประการที่หนึ่งเนะนี่ประการหนึ่งได้หรืยอยังมนุษย์เราได้กันแล้วนะยากประการที่สองการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับบุรุษอีกข้างหนึ่งเนะี่โยนเหมือนกันไอโยนห่วงมาแล้วร้อยปีเต่าตาบอด ก, ก็โผล่มพอดีกับการโย น, นยแล้วก็ไปสวมคอพอดีอันนั้นคือเป็นการยากประการที่สองนี้เราก็ได้แล้วใช่ไหม พระพุทธเจ้าก็อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วยากประการที่สามคือการได้ฟังพระธรรมก็เหมือนกับบุรุษอีกคนหนึ่งอีกทิศนึงอะเวียงห่วงนั้นมาร้อยปีเต่าตั ว, ตวนี้ก็โผล่มาแล้วไปสวมนี่คือการยากประการที่สองมีโอกาสศึกษาพระธรรมคือฟังธรรมนีเราได้แล้วนะยากประการที่สี่คือการแทงตลอดอริยสัจคือก็เหมือนกับชายคนหนึ่งหรอกเวียงห่วงใช่ไหมแล้วก็เต่า ตาบอดโผล่ขึ้นมาแล้วก็สวมพอดีอยากสี่อย่างเนี้ยปัจจุบันนี้เราได้มาสามอย่างแล้วน่าจะภูมิใจนะใช่ไหมแต่ปัญหาว่าเราจะไปพลาดกันนะรู้เป่าเราแทงตลอดไม่ได้เรียบร้อยจมใหม่กลัวจะโอ้โหกลักวกลัวจะเหวี่ยงได้อีกสามห่วงเนี่ยนะนถ้าคิดคิดอย่างนี้แล้วมันก็น่ามีกําลังใจมาทั้งเงยอะมันมาตั้งเกินครึ่งแลยใช่ไหมเนี่ย กลับไปเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเราจะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่อย่าลืมนะถ้าลมหายใจขาดพวกนี้เริ่มต้นใหม่โอ้โ ห, หน่ากลัวจริงใช่ไหมนั่นแหละวะ่าตาเป็นเช่นนี้จริงๆกลัวอีกคำว่าถ้าไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมืด บ, บอดโดยส่วนเดียวหมดท้าเล ย, ยโอกาสได้อัจฉริภาพเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ได้เจอคําสอนก็ยากอยู่ ถามลองดูที่คนที่มานั่งฟังธรรมกับคนที่ไปนั่งเข้าบาร์เข้าครับคนนี้ต่างกันขนาดไหนเดูตรงนี้เราก็เห็นแล้วโอ้โหเนี่ยเรามากันป่านนี้แล้วใช่ไหมแต่คนโดยมากก็มัวประมาท ก, กันเสียฟังธรรมเมื่อไรก็ฟังได้เมื่อไหรก็ศึกษาได้เมื่อไรก็ตรึกพิจารณาได้เ ร, ร า, รามีปัญญาพอสมควรเอาไว้อายุมากแล้วก็อ้างเหตุผลสารพัดในที่สุดจริงๆก็คือตายไปก่อน เลยไม่ได้ห่วงที่สี่เลยไม่ได้แทงตลอดอะไรเลยนี่นะตรงนี้นะลักษณะอย่างนี้คือต่อไปไปศึกษาในเรื่องของอวิชชาเลยนะองค์ปฏิจจสมุปาทาวาทสังขารนี้ศึกษาแต่ละองค์ไปตามลำดับเลยแล้วก็ดูในหนังสือไปด้วยก็แล้วกันแล้วก็จะไปจับประเด็นตรงไหนมา ก, ก็ว่าไปตามลาดับอวิชชาอะ ตรงข้ามกับไม่วิชาก็แปลว่ารู้เป็นชื่อของปัญญานี่ยนะอวิชาคือไม่รู้ธรรมชาติที่ตรงข้ามกับปัญญาธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกับวิชานั่นแหละได้แก่ความไม่รู้ได้แก่โมหะเจตสิกจตุสัจจะธรรมังวิทติปากระตังการตีติวิชานี่ธรรมชาติใดเป็นผู้รู้แจ้งอริยสัจคือรู้แจ้งทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุก และเป็นผู้ทําให้อริยสัจสี่ปรากฏเกิดขึ้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อวิชาอันนี้ได้แก่ปัญญาที่ในมรักเนี่ยปัญญาที่ในโสดาปฏิมากสกาธาคามีมรักอนาคามีมรักและอรหัตมรักดูในหลักสูตรได้นะเนี่ยได้คําอธิบายเนี่ยนี่คือลักษณะของปัญญาฉะนั้นปัญญาที่เห็นแจ้งในอริยสัจก็คือว่าได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ที่บอกว่า ในชีวิตความเป็นจริงของบุคคลที่มีปัญญานั้นอริยสีสัตว์สีน nah> ั้นปรากฏในชีวิตจริงเห็นสีปรากฏเกิดข hmm ึ้นใช่ไหมก็อริยสัจก็ปรากฏเนี่ยคือไม่ว่าจะไปตรึกพิจารณาถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนี่อริยสัจสีปรากฏแก่ท่านเหล่านั้นได้หมดเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านบูนั้นอริยสัจสปรากฏวิชาปรากฏปัญญาปรากฏแก่ท่านบูนั้น ในชีวิตจริงของท่านพวกนั้นที่วิชาหรือปัญญาปรากฏเกิดขึ้นเดือท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านมองไปที่ไหนท่านก็เห็นอริยสัจจะหายตามความเป็นจริงว่าไงท่านในสมัยคั่งพุทธกาลบุคคลที่ฟังพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเนี่ยท่านเหล่านั้นก็รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือรู้ทุกเหตุหให้เกิดทุกรู้ความดับทุกและก็รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกได้จริง อย่างเราเรานี่มันมองไม่เห็นใช่ไหมถ้าสมมติเรามองแก้วใบนึงเนี่ยเราก็เห็นแก้วนะเราไม่เห็นวันนี้ทุกแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุที่เราจะต้องมาผูกพันกับเขาเนี่ยแล้วมาจะเราจะต้องมาตันหาที่ในการที่จะเกิดขึ้นในการที่ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เป็นสมุทัยเนี่ยถ้าดับตันหาจะได้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นนิโรธเนี่ยปฏิปท า, าข้อปฏิบัติให้เข้าถึงนิโรธเป็นมากเนี่ยเวลาเราดู เวลาเราศึกษาอายตนะอจากขาอายตนะคือจักขู่คือตาเนี่ยพอมองเห็นตาเราก็เห็นแค่ตาใช่ไหมท่องเราก็ท่องกันมาแล้วเนี่ยจักขู่ประสาทธรรมชาติที่มีความใสาสามารถรับรู้อารมณ์ได้แบบนั้นแต่ถามว่าเห็นอะไยสัตว์ไหมไม่เห็นใช่ไหมถ้าจะเห็นข่านผนั้นก็ต้องตรึกว่าจากักขูประสาทเนี่ยเป็นทุกข์สัตว์มันเป็นทุกข์ยังไง เริ่มตรึกพิจารณาดูเริ่มไหมการที่จะต้องตานี้เกิดขึ้นมาแล้วแก่แล้ต้องเจ็บต้องมีโรคตาเป็นต้นเนี่ยมองเห็นด้วยความเป็นทุกข์มองเห็นความวิบัติความโศกความล่ํายลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจที่จากการมีตาเนแล้วก็จะต้องไปมีอยู่แล้วแล้วเราเล่าเนี่ยนะทีนี้ตันหาที่ดินดีพอใจในสีชื่อว่าท่านผู้นั้นนั้นยังปรารถนาตา ถ้าใครยังยินดีพอใจในสีเชื่อเลยว่านั้นแหละคือตัณหาที่จะสร้างตาถ้าใครยินดีพอใจในเสียงนั่นคือตัณหาที่จะสร้างหูใครยินดีพอใจในในกลิน่นก็คือจะต้องมีจมูกอีกนานถ้าหากยินดีพอใจในลิ้นก็คือจะต้องไปมีในรสก็คือจะต้องไปมีลิ้นยินดีพอใจในผดทะพะพอบอกผดทะพะนี่โหเยอะแยะเหมือนนี่พวกยินดีพอใจในผดทะพะทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องไปมีกายเอ ถ้ามีกายก็ต้องมีโรคที่กายไหมกายส่วนไหนบ้างที่ไม่มีโรคเน่ยกายคือผมผมมีโรคไหมกายคือขนในขนมีโรคได้ไหมโรคขนโรคที่มันขนเป็นโรคได้หมอพูดไวนี่หมอเนี่ยเป็นคนพูดเองนะกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกเป็นต้นเหล่านี้ไอ้สมองสมองนี่เรียกว่าเยื่อในกระดูกได้ไหม เขมีกระดูกร้อมรอมนีเรียกว่าเยื่อในกระดูกก็ได้ใช่ไหมเนี่ยก็เรียกว่าพวกนี้พวกโรคไขสันหลังเคยไปเจาะไปแล้วถึงรู้อวยเจ็บจริงๆเจาะไขสันหลังนี่ยเขาเรียกโรคเยื่อในกระดูกวนะ่าไหมถ้าไขเยื่อในกระดูกไม่ค่อยดีก็บอกว่าเดี๋ยวก็เลือดไม่ค่อยดีเลือดไปหล่อเลี้ยงในร่างกายเนี่ยไขสันหลังส่วนเออมีเป็นมีหน้าที่ในการที่จะสามารถทําให้ เลือดนั่นไปหล่อเลี้ยงเดี๋เลือดนั้นน่ะผลิตเลือดได้วะไหมผลิตเลือดได้เกอแปลกจริงนี่นก็โรคเยื่อในกระดูกเห็นไหมว่ามีกายส่วนไหนบ้างที่ไม่มีโรคนะนี่ปราถนาโพธิภพก็คือปรารถนาายนั่นแหละแล้วปรารถนาใจนะปรารถนาท ร, รมารมมั่วชอบยินดีชอบเพลิดเพลินคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ะอะไรต่างๆก็คือปรารถนาใจ ปรารถนาใจแล้วเป็นยังไงเราใจเออมันเคยเป็นใจอย่างใจไหมว่างั้นน่ะ น, ะ น, ะนะี่วดใจอยู่เลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียวกว่าไม่เห็นอริยสัจใช่ไหมเพราะนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นทุกข์เหตุที่ทําให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นสมุทัยดับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วดับเหตุที่ทําให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นนิโรธเป็นนิพพาน ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงนิโรดนั้นเป็นอริยมรรคคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะศีล ส, สมาธิปัญญาโดยย่อลงนั่นเองก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ถ้าหากอริยสัจปรากฏในทุกทุ ก, ทกอารมณ์อย่างนี้ชื่อว่าท่านผู้นั้นมีปัญญางมันมีปัญญาถ้าหากมองอีกทีก็คือว่าอารมณ์มากระทบทางตาก็ส่งข้อศีล สมถาวิป <HDR form> ัสนาลงในสีส <hetto> ีน <ngày rylic> ั้นได้เสียงมากระทบที่หูก็สงเคราะห์ศีลสมถาวิปัสนาลงในเสียงเสียงนั้นได้กลิ่นกระทบที่จมูกก็สงเคราะศีลสมถาวิปัสนาลงได้รสกระทบที่ลิ้นก็สงเคราะศีลสมถาวิปัสนาลงได้กายกระทบโพธิภพก็สามารถสงเคราะหศีลสมถาวิปัสนาใจกระทบ ทำมาล้มกระทบจิตก็คือสามารถสงเคะหสศีลสมถาวิปัสสนาได้ถ้าในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเห็นอริยสัจแล้วนะอีกสําคัญไม่ได้ยามให้กิเลสก็เกิดเอาเกิดเอาตรนี้โมหะครอบงํำเลยไปตรงอีกข้อหนึ่งเลยที่บอกว่าวิชาปฏิปักขาติอวิชาเนี่ยธรรมชาติใดที่มีสภาวะตรงกันข้ามกับปัญญาธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาวิชาถามว่าแทนที่จะเห็นอริยสัจ แทนที่จะเห็นทุกกะไม่เห็นทุกเนี่ยชัดเลยเนี่ยเอวิชาแท้ใช่ไหมไม่ได้เห็นดังที่ได้กล่าวมาเลยได้เห็นว่าเตยเตทั่ว ๆ, ๆ, ๆไปเนี่ยมองอะไรได้ฟังเสียงอะไรบางทีอะบางทีเสียงนกร้องเนี่ยเราคิดยังไงเคยคิดไหมว่าเสียงอบรรยัยวัตว์ร้องเคยคิดแบบนี้ไหมจริงจริงเขาเป็นอวัยวสตร์ไหมเป็นอวัยวสตร์เสียงไก่ร้องเสียงนกร้องเสียงสัตว์อะ เจนอาชานร้องแล้วก็บอกโอ้ยเอาใบายาสัตว์ร้องแล้วเขาร้องเขาเตือนเรานะถ้าท่านมัวประมาทเดี๋ยวท่านก็เป็นอย่างเรานะแต่ก่อนเราก็เป็นเหมือนท่านจนะคิดได้อย่างนี้มันก็เริ่มเริ่เมเบื่อหน่ายใช่ไหมโอ้ยลิมมงไม่ไหมวแล้วร้องรอบเราเลยเนี่ยใช่ไหมบางคนโอ้ยไปนอนเสียงกบล้องเสียงเขียดร้องเสียงนกร้องไม่มีความสุขมากปล่อยเข้าไป <c oughs> เขาเรียกไม่กลับแล้วแต่อย่าง น, นัไม่ไหวแล้ว เขไม่เคยพิจารณาว่ า, วาโอ้โหที่ร้องนะใช่ไหมทั้งไปมองไปเพราะตั้งยังไง ร, รู้ไหมขอให้เข้าไปแก้ย่าได้เป็นเช่นท่านเลยขอให้เข้าเจ้าอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยตั้ง อ, ธอัธยาศัยแล้วถามตัวเองทุกครั้งถ้าเห็นท่าไยศัสตร์ว่าเรายัางไม่พน้นเห็นหนอนตัวหนึง่งก็าถามตัวเองไว้ว่าเรายัางไม่พน้นเราพ้นได้ยังไงล่ะโลภามีอยู่ไหม โทสะโมหามีอยู่ไหมนั่นคือปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะให้เป็นนอนเป็นต้นก็เราจะไปพ้นได้ยังไงจะไปต่างอะไรจากเราแล้วนั่นถ้าคิดอย่างนี้เสียมันจะได้เพียงพอแล้วที่จะได้เบื่อหน่ายแล้วท่เพราะอย่างนี้ถ้าไม่คิดอย่างนี้วิชาก็เกิดเอาเกิดนอา ใ, ในชีวิตจริงต้องตรึกถ้าไม่ตรึกจะโ่งแล้วใช่ไหมต้องคิดต้องการตัณหาได้จริงๆไม่ได้มานั่งเรียนแล้วการตัณหาไม่ได้โอ้ปวดหลังแต่ เรียนกลับไปเป็นโลกใครจะหลังยุง่งเรียนแล้วมันต้องได้ปัญญาใช่ไหมต้องได้ปัญญาสัมโมหาวิโนธนีอัตกถาท่านแสดงอวิชชาเขาไว้ว่ายังไงนะอาวินที่ยังวินทตีเตียววิชาเนี่ยธรรมชาติได้ย่อมให้ได้ทุจริตทำที่ไม่ควรได้ไม่ควรประพฤติธรรมชาตินั้นชื่ออ ว, วิชชาคือได้สิ่งที่ไม่ควรได้กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนี่มาจากอะไร มาจากการไม่สำรวมอินทรีย์ใช่การไม่สำรวมตาไม่สำรวมหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีอินทรีย์สังวรการไม่มีอินทรีย์สังวรนีท่ทำให้เราได้กายทุจริตวจีทุจริตแลมะมโนทุจริตเมื่อวานนี้ได้กล่าวไปแล้วใช่หว่ากรณีที่กุศลไม่เกิดเนี่ยเช่นถ้าพูดตรงนี้ต้องดูอย่างว่าเดี๋ยวถ้าไปดูสังขารล้วจะเห็นชัดขึ้น ยกอกุโสละจิตสิบสองขึ้นมาเอาแค่โลภาแปดก่อนใช่ไหมในโลภาแปดวงนั้นเนะี่ยเป็นโสมนัสสสีเป็นอุเบกขาสสีเป็นยานเออเป็นทิศประกอบด้วยทิศที่สี่ไม่ประกอบด้วยทิศที่สี่ใช่ไหมเป็นอสังขาริกเซสสี่เป็นสังขาริกซะสี่นี่แหละทีนี้ในโลภาหนึ่งดวงนะในโลภาโมูลจิตดวงที่หนึ่งให้กายยะทุจริตได้ไหม วจีทุจริตได้ไหมมโนทุจริตได้ไหมเห็นไหมได้เลยแล้วลงดวงที่สองก็ให้กายทุจริตวัจีทุจริตมโนทุจริตสรุปแล้วก็คือทุจริตสามคูณโลภาแปดจะได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่เห็นไหมเราจะได้มาแล้วยี่สิบสี่เอาคูณอารมณ์อีกทีคูณอารมณ์ได้อหกที่จริงเขาคูณอารมณ์ก่อนนะโลพาคูณสี โลโลผ้าบวกสีแดงได้กายทุจริตได้ไหมได้เห็นสีแดงแล้วประพฤติกายทุจริตได้ไหมวัจีทุจริตก็ได้มะ โ, โนทุจริตก็ได้ใช่ไหมแล้วก็โลผ้าเห็นสีดํำจะได้ย่อมได้ทุจริธรรมที่ไม่ควรได้ไม่ควรประพฤติธรรมชาตินั้นชื่อโอวิชาได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้กายจทุจริตรวัจีทุจริตรมะโนทุจริตไม่ควรได้เลยนาะ ก็แปลว่าโลพาเนี่ยไม่ควรได้แต่ก็ทำให้เราได้ไอโลพานี่ไม่ควรได้ก็ทำให้เราได้นี่ลักษณะอย่างนี้คือมันปิดนะอะไรเราเป็นตัวปิดอวิชาเนี่ยปิดใช่ไหมในขณะที่เห็นสีขาวสีแดงสีเขียวเป็นต้นเนี่ยนะสีทุกสีนำ ล, ล, ล้นลงทุจริตได้หมดแล้วโลพาดวงแรกได้เห็นสีขาวทำกายทุจริตวัตีทุจริตมโนโทุจริตก็ได้ ถ้าสีนั้นสมมุติว่าเป็นแบ่งร้อยแบงห้าร้อยแบ่งพันอะไรก็ว่าไปใช่ไหมที่วจริงๆก็ ท, ทําทุจริตได้หรือว่าถ้าสมมุติเป็นเพชรเนิน จ, จินดาขึ้นมาโอ้โหชอบมากเพชรเม็ดนี้งามนะว่างั้นไม่ได้เห็นในวิยศาสตร์แล้วได้ทุจริตอีกแล้วลักษณะอย่างนี้คือทําให้ได้ทุจริตกายสุจริตบวินที่ยังอวิน ท, ทัติติอวิชาธรรมชาติใด ย่อมไม่ให้ได้ซึ่งสุจริตทำที่ควรได้กายสุจริตวจีสุจริตและมะโนสุจริตเนี่ยนี่คือสิ่งที่ควรได้กลับไม่ได้เนี่ยลักษณะอย่างนี้คืออวิชาแท้เป็นอย่างนี้เพราะว่ากุศ ล, ลจิตเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ทํากายสุจริตวจีสุจริตและมะโนสุจริตให้เกิดขึ้นใช่ไหมแต่ไม่ได้กุศลสักดวงเลยอ่ากุศลคุณอารมหก กุศลคูณสุดเจ็ดหรืสามไม่ได้เลยอีกเยอะแยะหมดเลยกุศลคูณการสามกุศลคูณอเทบวดีลองคูณไปนะไม่ได้สิ่งที่น่าจะได้เนี่ยไม่ได้แล้วอีกมากมายนะหรือว่าคูณบุญกิริยาวัตถุสิบลองคูณดูสิโอ้โหมากมายเหลือเกินที่เราต้องเสียหายกุศลไปเนี่ยเพราะอวิชามาคอยปิดกั้นเป็นเครื่องกลางกั้นใช่ไหมกุศลหนึ่งดวงเนี่ยดวงที่หนึ่งเนี่ยนะ สามารถที่จะให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้จเจริญภาวนาก็ได้อปิจายนะเวยาวจาบปฏิทานะปะตานโมทนาที่ถูกชุกรรมทําความเห็นให้ตรงก็ได้แสดงธรรมก็ได้ฟังธรรมก็ได้ใช่ไหมกุศสเหล่านั้นก็ไม่ได้เลยเพราะอาวิชาปิดน่าเจ็บใจเหมือนกันนี่วิชานี่มันปิดกั้นไม่ให้เราได้สุจริตเหล่านั้นเลยแก่มันกลับเอาทุจริตมาให้เพราะให้ทุจริตแล้วเนี่ย เมื่อกี้บอกว่าทุจริตจะมีอะไรเป็นเหตุอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นอาหารของทุจริตอินรีสังวรใช่เออการไม่สำรวมอินรีขาดอินรีสังวรขาดการสำรวมระวังปิดกั้นบาปทางตาหูจมูกเล่นกายใจตัวนี้ต่างหากเป็นตัวที่ทำให้เราได้ทุจริตแล้วอะไรละเป็นปัจจัยทำให้เราไม่ได้อินรีสังวรเพราะไม่มีสติและสมประชัญญะ ใช่ไหคนที่ไม่มีสติถ้าคนมีสติมีสัมปชัญญะกลุ่มพวกนั้นจะได้อินทรีย์สังวรสติคือธรรมชาติที่ระลึกเหมือนไรอุปมาเหมือนแรงสติฟังกันมาเยอะเนี่ยเหมือนปริน า, ายกได้ไหม เ, เหมือนปริญาน า, ายกแก้วก็ะด็เหมือนขุนคลังกันเนเหมือนนายประตูกันเนปริ ญ, ญ า, ยายกแก้วเนี่ยที่จะต้องคู่กับพระราชาพ ร, พระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหม สามารถระลึกได้หมดไปแต่สามารถด้วยพระเจ้าจักรใครที่เป็นข้าศึกใครที่เป็นข้าศึกใครที่เป็นอริกับพระเจ้าจากักรพรรดินี่ปริญายกแก้วจัดการหมดเลยถ้าขุนครังก็สามารถนับเดิมหมดเลยว่ากองช้างเท่านี้กองมาเท่านี้กองพลลบเท่านี้เงินเท่านี้ทองเท่านี้เพชรเท่านี้นับได้หมดชันใดว่างั้น